พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2557มีเมีชื่อเรื่องว่าไม่อยากเป็นบ้าให้ฝึกภาวนาเอาไว้ วันนี้เป็นวันที่สิบกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมื่อวานหลวงพ่อเองได้ไประชุมคณะสงฆ์ที่จะแยกย้ายไปจำพรรษาที่อื่นก็ได้หารือกันและก็ส่งพระไปจำพรรษาที่วัดรวมธรมรมอำเภอเพนวัดสร้างใหม่ เป็นพระหกลูกท่านรัตนะเป็นหัวหน้าแต่ท่านรัตนะก็พ่อป่วยปีนี้ก็คงจะดูๆแล้วก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่พ่อป่วยกรุงเทพคงจะขึ้นลงขึ้นลงนหละแต่ทางวัดาจะา น, นอยท่านหน่อยก็ให้พระไปห้าลูป รวมทั้งในวัดพระในวัดของท่านห้ารูปแล้วก็มีพระปฏิโมกองค์แล้วก็ทางส่วนวัดรวมธรรมก็ท่านรัตนะเป็นองค์สวดปฏิโมกพระหกรูปเพราะบิณฑบาตสองสายสายและสามรูปที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนแต่ห้วยซ่วของท่านหน่อยเนี่ยหรูป เขามีพระปฏิโมกองค์หนึ่งแต่ในวัดของเราเนี่ยยังยังไม่ชัดเจนว่าพระจะจำพรรษาทั้งหมดมีเท่าไหร่ในวันอธิษฐานพรรษาลุงพ่อจะประกาศให้ทราบว่ามีพระจะจำพรรษาเท่าไหร่แต่ที่แรกลุงพ่อก็คิดสองจิตสองใจเหมือนกันว่า จะไปจำพรรษาที่วัดอำเภอเพนวัดใหม่วัดรวมธรรมวมาพิจารณาดูแล้วก็ในวัดของเราก็ยังทหารมาทำงานด้วยค่าใช้จ่ายจะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรนี่แหละจากนั้นก็ ค, คงไม่มีอะไร ในพรรษานี่ก็เหมือนกับพรรษาที่ผ่านๆมาก็ให้ทั้งอกตั้งใจภาวนาหรือตั้งอกตั้งใจสมาทานหรือทังอกตั้งใจตั้งคำสัตว์อธิษฐานคือความตั้งใจมั่นในพรรษาเนี่ข้าจะยึดอะไรท่าจะทำอะไรให้เป็นสิ้นส่วนสัดส่วนเราจะภาวนาอย่างไรเราจะนั่งภาวนา คืนหนึ่งเราจะนั่งนานเท่าไรกี่วันเราจะนั่ง้ครั้งหนึ่งหรือวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพร ะ, ะเราจะถือเนเชชิไม่นอนในพรรษาเรือว่าเราจะไม่นอนกี่วันเราจะเล่งภาวนายัางไงอันนี้ก็อยากจะให้พระพวกเรานั่นะที่อยู่ข้างในภายในให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นแต่สอนแนวทาง ถ้าหลวงพ่อไม่กระตุ้นเตือนพวกเราก็คงจะคล้ายๆว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะปฏิบัติตนอย่างไรเพียงแต่ตรงนี้ที่หลวงพ่อเตือนไปนี่ก็คืออยากจะให้พวกเราได้มองมองภาพไปข้างหน้าว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในพรรษานีน้แต่ถ้าว่าผู้ใดที่จะท่องปฏิโมก ก็ตั้งเจตตั้งใจที่ฐานจริงๆในพรรษานี้จะเอาปฏิโมกให้ได้สามเดือนแต่ไม่เหลือวิสัยนะกูบาทั้งหลายนะห<ม>ลวงพ่อเนี่ยตั้งตะกรอนก็โหยอยหน้าถอยหลังเรื่องปฏิโมกพอเอาเข้าจริงๆข้าพเจ้าจะท่องให้ได้วันละสี่แถวเล่มเล็กๆรือวันละหกแถวเอาไหว้ไว้นะวันละหกแถวมาให้ให้ได้ ไทยทองได้วันละหกแถวแถวสั่นแถวยาวก็ไม่ว่ากันให้ได้พ้นในสุดเดือนกว่าเท่านั้นนะจบปฏิโมกของลุงพ่อเดือนหนึ่งกับสิบสี่สิบห้าวันนี่แหละถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจไม่เหลือวิสัยแต่ขอน้านโอถอยหน้าถอยหลังคิดว่าพอขึ้นมาทาขึ้นมาโอ้ทำไมยากนะักปฏิโมกนะ่ะไม่ไหวแล้ว สมัยนะั้นอายุเพียงสิบ็ดปีเป็นสมณเณรนะพอเข้าพรรษามเอาอยัางไงสู้วักได้หรือไม่ได้ก็ทดลองจะเอาวันละหกแถววะไม่ให้ขาดวันละหกแถวนะปฏิโมกขพอนี่สุดโวมันไม่ว่านะบางทีหน้าสองหน้านะพรามันซ้ำกันบางคำมันซ้ำกันนะถ้า ช่วงไหนที่มันยากคืออย่างว่าจริงๆนะห้าหกแถวนี่กาโหพอแรงเหมือนกันนี่แหละสรุปแล้วก็คือที่เราจะทำอะไรลงไปเนี่ยที่จะให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนาเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมันไม่เหลือวิสัยในจุดนี้คล้ายๆออใจใส ในการอยากจะรู้อยากจะเรียนจงมีวิริยะในการทำในเรื่องนั้นๆเพราะนั้นจึงหลวงพ่อมั่นใจนะเรื่องพระปฏิโมกก็ควรจะใส่ใจถ้าเป็นพระน้อยพระนมนะแต่สำหรับผู้ที่บวชแต่บวชเพียงสามเดือนก็ไม่จำเป็นให้เร่งภาวน า, เ, าเราท่องปฏิโมกก็เสียเวลาเพราะ เราก็จะลายสิกขาอยู่แล้วเป็นข้าราชการเนีเป็นพอช่องได้แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าภาวนาที่จะเกิดประโยชน์กว่าเอ่าพอเราจะเร่งภาวนาทําจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานถึงจะไปอยู่นักสถานที่ใดถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็จะวิ่งเข้ามาหาสมาธิสมาธิทําจิตใจให้สงบระงับจิตใจจิตใจจะไม่ ตลอดเปิดเปิงจิตใจจะไม่แตกนะอย่างที่เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดโฮมเคเบิลเขาคงจะออกนะมั้งไม่วันนี้ก็วันพุ่งนี้แหละอุดร น, น้องคายน้องบวรรัวลำพูเขาจะออกภายในสามจังหวัดหลวงพ่อก็บอกว่านี่นะหลวงพ่อทราบข่าวมีคนบอกมาทางหนังสือพิมพ์ บอกว่าในวันนี้เขาลงข่าวบอกว่าคนในประเทศไทยเกิดโรคประสาทเป็นบ้าเยอะเดี๋ยวนี้ล้นโรงพยาบาลเขาคิดปริมาณออกมาเลยประมาณล้านกว่าคนจนลน้ลนล้นโรงพยาบาลล้านกว่าคนในแสนกว่าคนจู่ในถนนขนทางน่ยโตโตเต็ติตตตตตตตจน ดูไม่ไหวหลวงพ่อก็บ่านี่แหละสาเหตุหนึ่งก็คือพวกเราปล่อยจิตปล่อยใจเกินไปอยากจะให้ได้อย่างใจตัวเองบางทีก็อยากจะได้ เ, เรีอกว่าโมโหหรือว่าโกรธสรุปแล้วก็คือไม่รู้จักปล่อยวางทางด้านจิตใจคิดว่าโลกทั้งโลกจะเป็นของตัวเองทั้งนั้น อ, อยู่ในให้กำ ม, มือของเราทุกคนอยู่ในอาณัตของเรา โลกนี้ให้เป็นของเราต้องให้เป็นอย่างใจของเราที่เราต้องการแต่เมื่อไม่เป็นตามที่เราต้องการพระโลกอันนี้จังผลี่สุขเสียอกเสียใจเสียความรู้สึกเป็นประสาทขึ้นมาเป็นบ้าขึ้นมานี่นี่แหละสรุปแล้วก็คือไม่รู้จักปล่อยวางที่จิตใจถ้ารู้จักปล่อยวางที่จิตใจหรือโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เรายังไม่เกิด ต่อไปภายภาคหน้ามันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละขณะดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำยังไงให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดอยากจะให้ใจคนอื่นมาเป็นอย่างใจเราได้อย่างไรอยากจะให้คนอื่นมาอย่างที่เราต้องการได้อย่างไรคนอื่นก็คือของคนอื่นเราก็คือเราเพราะนั้นถ้าได้อย่างใจเราก็ดีดีไปแต่ไม่ได้อย่างใจเราล่ะ เราจะไปเสียใจทำไมเพราะเป็นเรื่องของคนอื่นเราก็ต้องทำใจไม่ต้องทำใจคนอื่นนะทำใจเรานะเพราะนั้นถ้ารู้จักปล่อยวางที่ใจของเราหนะลวงพ่อว่าความเครียดหรือว่าความไม่พอใจโมโหกโกรธอะไรก็คงจะลดน้อยลงไปประสาทก็คงจะไม่ไม่เป๊ดเหมือนกันแะต่แต่ถ้าว่าไม่ได้คิดไว้ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่รู้จักปล่อยวางมันเป๊ะนะ พอปีิขึ้นมาก็นั่นแหละตบบาปะแตกสติแตกเลยโผลสในก็เป็นบ้าใช่อย่างที่เขาว่าเพราะฉะนั้นถ้าโรคอย่างนี้นเป็นไปได้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุธทธเจ้า ต, ต้องรู้จักให้รู้จักปล่อยวางปล่อยวางที่ใจปล่อยวางอย่างงหลวงพอ่อมันปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ต้องพยายามฝึกหัดฝึกหัดปล่อยวางอย่างจริงหลวงพ่อเคยสอน เคยบอกหลวงพ่อเองเลยถึงจะหลวงพ่อจะบอกกล่าวทั้งหมดก็ถเถอดรับผิดชอบจ่ายเท่านั้นอานนั้นทอนี้อันนี้ทอนั้นวัดนั้นท่อนี้พระเนนเท่านีอา้อยู่เท่านั้นองค์เท่านี้องค์อยู่วัดนั้นวัดนี้จะต้องได้ช่วยอย่างนู้นอย่างนี้หลวงพ่อคิดแต่พอหลวงพ่อนั่งภาวนาหรือหลวงพ่ออยู่ในความสงบคนเดียวหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อเองเอ้ย ถึงหลวงพ่ออินจะช่วยรับผิดชอบอะไรทุกอย่างทั้งหมดที่คิดคิ ด, คดไว้น่ะออีกสักวันหนึ่งหนะลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดนะหลวงพ่ออินเอาไปด้วยไม่ได้เลยเ อ, อย่าไปหนักใจนะจะต้องทิ้งทั้งหมดขนาดร่างกายตัวเองก็ยังทิ้งจะไม่ทิ้งเสียงเราท่านได้ยังไงใช่ไหมหลวงพ่ออินต้องทําความเข้าใจกับหลวงพ่ออินนะ หลวงพ่ออินนะนี่แหละคือทาความเข้าใจในใจของตนเองในเมื่อพวกเราทําใจทําความเข้าใจในใจของตนเองแล้วมันปล่อยวางที่ใจอะไรก็ได้ที่ทำให้มันทุกต้องให้มันทำได้เป็นธรรมก็ไม่หนักใจบางสิ่งบางอย่างมันก็เหลือวิสัยที่เราจะต้องไปแบกไปจัดการในเรื่องนั้นๆเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่น ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเป็นเรื่องของเราเออเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดไม่ให้มีปัญหาสําหรับตัวของเราแต่เรื่องของคนอื่นเราจะไปแบกจะไปทําหนักใจกับเรื่องของคนอื่นทําให้ว่าโง่เราจะว่าอะไรกัมันจัดฟอร์ปเป็นประเภทโง่อีกแบบหนึ่งอีกเหมันกันโง่ลึกๆเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกคนนะนักปฏิบัติทั้งหลายนะอย่าไปนหนักใจ ถึงจะอยู่นสถานที่ใดก็ตามข้า่นั่นแลเป็นติพึ่งของข่าข่านั่นแลททำดีข่าจะต้องได้รับผลดีค่าทำชั่วแล้วจะรับดีได้อย่างไงค่าทำกรรมชั่วกรรมชั่วข้าจะต้องรับกรรมชั่วค่าทำสิ่งไหนไว้ค่าจะต้องได้รับสิ่งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีค่าจะไม่คิดค่าจะไม่ทำค่าจะไม่พูดต้องตั้งในใจไว้ใน ตั้งใจไว้ในใจอยู่เสมอแล้วก็ปล่อยวางที่ใจอย่างที่ว่านร่างกายของข้าอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องไปเผาไฟทิ้งนะใจนะเห็นไหมตัวอย่างเป็นมาเท่าไหร่ยังไม่เห็นเหรอหรือตัวเองจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่มใจคิดดูที่ใจยังไม่ยอมรับอยู่แล้วใจถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีมันจะวิ่งไปจุดนั้นนะทีนี้ความเหมาะสมอยู่อย่างไรถูกต้องอย่างไรมันจะปล่อยสิ่งที่มันหนักอกหนักใจทิ้งทั้งหมดนะทีนี้มันก็หาช่องทางตนเองนะขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะในพรรานีนะ้พยายามให้ภาวนาเร่งความภาคเปลี่ยนของใครของเราบรรณะนรสติให้ระลึกไว้อยู่เสมอ ให้ระลึลกถึงความตายไปอยู่เสมอถ้าหากว่าเราจะจ ะ, จะทำจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทรหรือนับหนึ่งสองสนับหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสหายใจออกสี่นับอันนี้คือเราจะพยายาม ให้จิตของเรามาอยู่กับตัวเองให้จิตใจของเราสงบวิธีการที่จะทําสมถะเป็นพื้นฐานมีจังกรรมฐาน40อย่างที่ว่าอันนี้ก็คือทําจิตใจให้สงบเราต้องเอาสติมาอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้แปลว่าสมัติฐะคือย้อนความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงที่มันแตกรกระจายนนัเข้ามาอยู่ในจุดเดียว อันนี้ก็คือสมาธิในเมื่อจิตใจเป็นสมาธินิ่งพอสมควรแล้วก็นำมาพิจารณาร่างกายของเราเตั้งแต่เกษาผมโลมาขนร่างกายทุกส่วนของร่างกายอยู่ในอเนจังทุกขังอนาตาผลในสุดกระเผาไฟทิ้งอย่างที่วาดยังเหลือแต่กระดูกเราจะเป็นอย่างนั้นไหมใจนี่แหละแยกส่วนแบ่งส่วนดูร่างกายของเราไม่เหตติด ไม่ให้หลงไม่ให้ติดอยู่ในขวอยสวยงามตัดถ่าพิจารณาเห็นอสุภะปฏิกูลมรณะอยู่อย่างเนี้ยกิเลสราคะกุฎิโทสะกุฎิโมหะกุฎิมันจะถอยล่นมาอยู่ที่ใจในเมื่อพิจารณาถึงอใจแล้วก่อนนั้นพิจารณาถึงกายแล้วอย่างนั้นพิจารณาถึงมรณะถึงความตาย ตายแล้วก็เป็นยังไงตายแล้วก็เผาเผาแล้วก็มีตะกระดูกนี่แหละอันนี้ก็คือให้พิจารณาอันนี้คือใช้ปัญญายแยกแยะใจของเราจะไม่หลงไม่หลงโลกหลงทางแท้แน่อันไหนควรมันจะเหมาะยังไงถูกต้องยังไงเป็นธรรมยังไง เ, เรื่องการทราะเลาะโว้แว้งกันมันจะไม่มีไม่จะไม่เกิดขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราเราจะไปทุกข์กับคนอื่นได้อย่างไรทุกข์ให้โง่ทําไม ต่างคนก็ต่างมาเกิดต่างคน ต, งต่างใช้กรรมของใครของเราก็มีหน้าที่ก็บอกกสอนก็แนะนำช่วยเหลือมีอะไรที่จะให้ช่วยบอกมาถ้าเสือวิสัยแล้วไม่รู้จะทอยังไงท่านต้องทำใจเองนะแหบอกให้ท่านทำใจเองเอบางสิ่งบางอย่างเราช่วยไม่ได้ถ้าท่านไม่ทำใจของท่านเองครบพระพุทธเจ้านะถ้าท่านท่านช่วยดันเท่งกคงภาวนาแทนเรา ให้เราเป็นพระรหันต์รวยกันทั้งหมดแต่เนี่พยพระพุทธเจ้ามีแต่ชี้บอกแนะนำํำมาคิดอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้นะมีแต่แนะแนำพวกเราจะทําตามหรือไม่ทําตามอันนั้นก็สุดแท้แต่พวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในพรรษานี้ให้เข้มงวดกวดขันกับตนเองให้ภาวนาสรุปแล้วนะเอารับพร